าผู้ชมคะและมาถึงเวลานี้ก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้มากราบเรียนพระอาจารย์คลิ ป, ปโสทิพโลเพื่อได้ถามคำถามต่างๆกับท่านซึ่งก่อนหน้าที่จะได้กราบเรียนถามท่านในช่วงเปิดธรรที่ถูกจีดด้วยผู้ทวชนะเราก็มานวัสการท่าน ก, นกันก่อนนะคะ าอาจาย์ค่าไม่น่าเชื่อปกติแล้วคนไทยเนี่ยพอพูดเรื่องความตายมันจะกลัวมันจะหนีไปพูดเรื่องอื่นต่อแต่ว่าวันนี้วงสนทนานี้ระหว่างรอทาเทปเนี่ยติดใจเรื่องการสนทนาเรื่องความตายในวันที่ถัดมาอยากจะมาสนทนากันในเรื่องนี้ต่อขออนุญาตพระอาจารย์ได้ไหมคะหรือว่าจบไปแล้วไม่มีอะไรคุยอีกต่อแล้วเรื่องความตาย <c oughs> ถ้ามีมุมอื่นอีกก็ได้ค่ะก็ต้องให้โยมทั้งหลายช่วยกันเปิดประเด็น เพราะว่า่างก็มีประสบการณ์ตรงโดยเฉพาะโยมน้อยเนะี่ยมีประสบการณ์น่าสนใจมากนะคะท่านผู้ชมได้พูดถึงเพื่อนท่านหนึ่งใช่ไหมคะที่ป่วยจะเสียชีวิตช่วยเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ส ะ, ะคะมีเพื่อนเนี่ยชื่อบอนนะคะและเขาก็ได้เสียชีวิตไปเมื่อปีซีนามิค่ะปีลายปี48ที่เขาเสียชีวิตคือวันที่31ธันวาคม254 แต่ที่ประทับใจก็คือว่าก่อนหน้าที่เขเสียชีวิต6เดือนเนี่ยเขามีอาการถ่ายเป็นมุ้มมมเลือดคะ่ะเขาก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอเขาบอกว่าเขาเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยประมาณปุ๊ครึ่งจะทํำยังไงจะตัดไหมคุณจะทํายังไงคุณมีชีวิตที่เหลือนเนี่ยผมบอกเลยว่าผมผมฟันธงเลยว่าคุณมีชีวิตได้6เดือนผมแต่ถ้าแ ต, แต่ถ้าให้ผมแนะนําเนี่ยผมไม่อยากทําอะไรเลยคุณไปใช้ชีวิตที่เต็มที่เลยดีกว่านี่คือหมอที่โรงพยาบาลจุฬานะคะ <c oughs> แล้วดีน้องบอลเนี่ยก็คือเป็นสหัสทันทีกันกับยมน้อยเพราะว่าได้พาไปวัดตลอดนะคะแต่ว่าน้องบอลเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอ เ, เขาจะอยู่ทางโลกบ้างยังต้องดูแลสานีและลูกอยู่นานทีก็ถึงเข้าวัดทีเราก็เลยบอกว่าบอลบอลเชื่อที่น้อยไหมไม่ต้องรักษาทางทางทางโลกหรอกยังไงก็ไม่เลาะเพราะว่าเรามีมะเร็งลาไส้เนี่ย มันต้องฟุตครึ่งแล้วประสบการณ์จากพี่สะพายของที่เนี่ยเข้าเนี่ยเป็นเมรงลยมไส้ฟุตครึ่งเขาไปไปตรวจที่โรงพยาบาลพิยาไทยเขาหมดค่าใช้จ่ายั้หมดเกือบสามล้านบาทเมื่อตอนเมื่ อ, อ, อตอนปีสองนสองคือประมาณเก้าปีที่แล้วเขาคิดว่าเอาอยู่นะคะเพราะว่าหมอบอกว่าเอาคีโมจากอเมริกามาเลยแบบส่งมาให้เขาเลยเต็มที่ เอ็กซเรย์ปอดทุกเดือนเพราะว่าทางเดินของมะเร็งกำไส้มันจะลงที่ตัดเขาเจอก้อนที่ตับอย่างนี้จําได้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจเรามาแล้วก็ทางเดินหลราจากที่ตัดจะไปที่ปอดหมอบอกว่าผมจะเอ็กซเรย์ปอดคุณทุกเดือนถ้ามีอะไรที่เกิดขึ้นที่ปอดผมเอาอยู่ก็มีการเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยทาปอดเลยนะคะปึ๊บปึ๊บปบตรวจเนื้อมะเร็งยังไม่มีผ่านไปสองปีคนไข้มีอาการปวดท้องเนี่ย แต่ระหว่างนั้นโอ้โหดีมากกินยาคีโมมาแบบเป็นสองล้านตบบาทเพราะคนไขยค่อน mm hmm. ข้างจะมีฐานะปรากฏว่าไปตรวจมะเร็งไม่ได้โผล่ที่ปอดค่ะมะเร็งไม่ได้โผล่ที่ตับแต่มะเร็งไโปโผล่ที่รังไข่ mm hmm. แล้วก็มดลูกก้ mm hmm. อนเท่านี้ค่ะ mm hmm. เขาก็เลยตัดสินใจค่ะเขาก็เชื่อทางหมอมาก mm hmm. พอพาไปหมอตกใจมากเลยค่ะพอผ่านเปิดทน้าท้องออกไปเนี่ยมะเร็งขึ้นทุกตรง ค, ค่ะเป็นก้อนก้อนก้อนก้นอนมาเลยค่ะหมอก็เลยปิด แล้วก็ให้อ่าเขาก็โคมา่าพอหลังจากเจอเนี่ยมันจะโคม่าเลยแล้วเขาก็อยู่ในโรงเยาบาลมียาไทยที่เราประทับใจมากเราเสียใจมากเดยโรงเรายนมาียาไทยในหนึ่งเดือนเต็มห้ามอาหารห้ามน้ําใส่สายสลิงเนี่ยจมูกเนี่ยออืเส้นจมูกข้างนึงที่จำได้ทำํำริมรู้สามสี่เส้นนะคะเพราะว่าแล้จิตเขาไม่ยอมไม่ยอมลาศัลา์คือรักษากันเต็มที่จนนาทีสุดท้ายเนี่ยเอ อ, อันนี้ คือประทับใจคุณหน้าเขาเนี่ยเหมือนเดิมแต่ตัวเขาพวงมากเพราะว่ามะเร็งกระจายไปทุกส่วนจะน้ำเหลืองเนีตัวจะปลิ่ยนเปลีกเหลืองแล้วก็จะเอาท่า ย, ยาเนี่ยมารองอ hmm. แล้วจนนาทีสุดท้ายเนี่ยเราต้องไปบอกให้คนไทยเนี่ยละสังหารซะ hmm. คือหมอมากระซิบเลยว่าช่วยบอกหน่อยเพราะว่าหมอไม่เคยเจอคนไหนที่เนีวรั้ง hmm. สังหารขนาดนี้ hmm. จนสามวันสุดท้ายเนี่ยเราก็ไปกระซิบให้ละซะมันไปไม่ได้แล้วร่างกายมันไปไม่ได้แล้วมันเป็นน้ำเหลือง เขาถึงเขาพยักหน้าเขาลองได้แล้วลเขาก็คล้ายๆแบบเขาก็ละได้นี่ประสบการณ์ของเราเนี่ยเราก็จะฝันใจเลยว่าโอ้หถ้ารักษาแบบนี้ยังไงก็ไม่รอด<ม>สามล้านสิปีให้แล้นก็หลายตังค์นะฮะอาจารย์ค่ะทีนี้พอมาเกิดกับบอลเราบอกบอลที่จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะ<ม>บอลตัดสินใจเอเองพี่น้อยเนี่ยมีที่อยู่ที่ที่อุทั ย, ททยมิกุติบอลเอาไหมไปสร้างกุศลไปใส่บาตระไปกวาดลานวัดไปเดินจงกรมนั่งสมาธิ รอดก็คือรอดตายก็คือตายยังไงอยู่ในเยยที่กุศลบอลตัดสินใจเอาเองที่จะพาไปไปอยู่ที่กุฏิที่<ม>เขาตัดสินใจนะฮะตัดสินใจไปรักษาแบบนี้นคือเขาก็ไปอยู่ไปกวาดแปตั้งแต่ล้างจานใส่บาตรเดินจงกรมนั่งสมาธิเขาก็ทําไปอยู่ที่วัดได้ประมาณเกือบสี่เดือนแต่ร่างกายเขาก็ซุดลงเรืนอยแต่เขาไม่ได้รักษาทางทางยาเลย เดินจงกรมนั่งสมาธิจากคนที่นั่งสมาธิเพชไม่ได้ขาบวมเขาก็กลายเป็นคนนั่งสมาธิเพชรได้ขาเขาบวมนะฮะพอท่านั่งได้เสร็จเนี่ยเขาก็นั่งได้เป็นชั่วโมงจากจากนั่งไม่ได้เป็นชั่วโมงจนร่างกายเขาซุโลงเรื่อยๆจนสาวันสุดท้ายก่อนตายเนี่เขาบอกเขาจะละสังถามแล้วแล้วเขาก็ตายโดยว่าเขานั่งสมาธิเพชจนนาทีสุดท้ายร่างเขาก็ปล่อยร่างกายของเขาเนี่ยนอนลง แล้วตัวเขาค่อยๆเราจะเห็นเลยนะคะว่าขาเขาจะค่อยๆซีดซีดๆแล้วก็หมดลงไปแต่ที่สิ่งที่มาหัตย์จจรย์ก็คือว่าหนึ่งเขาไม่มีเวทนาก่อนตายเลยเขามีสติเต็มที่ในการที่ละสังขารของเขาแล้วก็เมื่อเขาตายแล้วเนี่ยดิฉันเป็นคนเฝ้าศ่งเขานะคะประมาณเขาตายประมาณสองทุ่มเฝ้าเขาจนถึงห้าโมงเย็นคือศพเขาเนี่มีความหอมพุ่ออกมาแล้วผิวพัรเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีทอง แล้หอมสดนี่มีความหอมมากซึ่งเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ค่ะถ้าไม่เจอด้วยตัวเองเนี่ยหรือฟังคนอื่นเขาเล่าเนี่ยจะไม่เชื่อแต่ว่านี่เราเป็นคนเราเป็นคนแนะนำให้เขาไปแล้วก็ภูมิใจมากเลยนะคะว่าเาเราสึกว่าเขาตายดีค่ะพระอาจารย์คิดว่ายังไงคะก็จะคล้ายๆกับที่พระนรนบอกกับพระพุทธเจ้าว่าที่พุทธเจ้าไปเทศให้พระปักุณะฟังก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยเลยทาให้ พระปัทถุณะเนี่ย <c oughs> หลังจากผู้เจ้าเทศเสร็จเนี่ยพระปัทถุณะก็ทําการะลงแต่ชีวีวันผ่องใส ย, ยิ่งนัดอย่างนี้ก็จะคล้ายๆกันแล้วผู้เจ้าก็พยากรพระปัทถุณะว่าพระปัทถุนะเนี่ยละสังโยชน่าได้แล้ว <c oughs> น ะ, นะบอกอานนท์จะไม่ผ่องใสได้อย่างไร <c oughs> เพราะว่าก่อนฟังธรรมเนี่ยพระปัทถุณะเนี่ยยังละสังโยชน่าไม่ได้ หลังจากฟังทมแล้วเนี่ยผัดคุณอเนี่ยรักสังโยชน์ห้าได้แล้วนะอันนี้ก็สามารถเป็นเป็นไปได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเข้าถึงความเป็นอริบุคคลนะมันก็ส่งผลมาต่อกายสังขารของเขายนะ้อน น, น, น้อยขู่ใจค่ะที่ท่านฟังไม่ทันเมื่อสักครู่นี่บอกว่าคุณหมอให้เวลาประมาณ6เดือน จากการที่เลือกใช้ธรรมะโอสดเนี่ยนะในเวลาสุดท้ายของชีวิตเนี่ยอยู่มาถึงกี่เดือนนะคะสิบขึ่อเขาอยู่เกินนะอยู่ได้ประมาณเกือบเจ็ดเดือนอ๋อครับอยู่ได้เกินแต่อะไรก็ตามที่น่าสนใจมากก็คือว่าผู้ป่วยเนี่ยจะต้องต้องเข้าใจแล้วแล้วมีความทรมานไหมว่าอุอจจาร ะ, ะ ไ, มไม่ได้ปัสสาวะไม่ได้อะไรเนี่ยแค่สามสี่วันสุดท้ายเองค่ะอาจารย์นิดน้อยช่วงช่วงที่คุณบอลเขาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขามี ทุกขเวทนาอะไรแบบนี้เขามีทุกมากเลยเพราะว่ามันลงที่ตับขาเขาบวมค่ะตัวเขาเหลืองตาเขาจะเป็นเหลืองเพราะว่าตับเขาไม่ทํางานแล้วท้องเข้ามาแล้วตัวสู้ค่ะตัวก็ตัวก็เองนะก็สึกทุกไปด้วยเขาไม่ไม่ทราบนะเพราะว่าเขาก็เหมือนอาการทู้ป่วยแต่มันไม่ได้ทุกมากเขาก็เดินจงกรมจากที่เดินธรรมดาได้ก็เป็นเดินกระเพะกระเพะกกอกตามโอ้โหเกอะตามศาลาปฏิบัติธรรม เขาเขาบอกว่าเขาเสียเวลามานานมากแล้วเขาเคยเขาวัดพร้อมพี่น้อยเื่าสมัยยี่สิบปีที่แล้วแล้วเขาก็จากไปไปทําอยู่ทางโลกเขาไม่ได้ต่อเรื่องเขารู้เลยว่าเขาเสียเวลาเพราะฉะนั้นเขาเอาเวลาที่เหลือเขาเนะี่ยทำอย่างที่สุดอืมจนจะนั่งสมาธิไม่ได้เพราะขามันบวมอ่ะโจเขานั่งสมาธิเพ่ต้าเกือบเป็นวันๆนอ้องเพ็่อนจานะเมื่อกี้เปรียบเทียกบกับที่อยอน้อยเล่าคนแรก ที่ไม่ได้ทำปฏิบัติธรรมพี่สะพายพี่สะพากับคุณบอลช่วยค่ะแสดงว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยช่วยเราได้หรอเปล่าจคำว่าโอก็มีผลต่างกันเยอะนไงมีผลต่างกันเยอะฉนั้นถึงว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตที่เกิดมาใ่ไหมค่ะคำพิจิตรื่องตรงโยน้อยนี่เป็นการเน้นย้ำให้เราปฏิบัติธรรมใช่ไอมจ๊ะคือแม้ว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรม แต่ได้ฟังทำอย่างคุณนะก็สามารถละสังโยชน์ได้ใช่ไคะเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราอาจจะมากกว่าก็ได้ถ้าเราปฏิบัติธรรมในฟุตบอลอาจจะแบบเป็นภระรยะขัน้นอาภิเษกจารย<อ>์อาจจะเป็นธนาคารีก็ได้พละสังขารได้เ<อ>ขา ม, มีสปเขามีสเตย์ละสังขารได้อ่ะใช่ใช้สาะพะอาจารย์เพราะสมก็จะหอมากแล้วตัวเป็นทองเลยนะอืแล้วไม่แฉไม่ได่ฉีดฟอรมอลีนอะงงอะไม่คยเจอแล้วเราก็นั่งเศร้าสมอะไรอย่างเงี้ยหอม มีความของสนใจในระยะระยะค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของผู้ป่วยในระยะสุดท้ายที่ตัดสินใจเด็กเดียวมีการตัดสินใจที่ถูกต้องต้อง อ, อย่างนี้ดิฉันพูดฟันทงนี้เลยได้ไหมคะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อ ง, องเพรา ะ, ะว่ า, วาความวาถูกต้องจะมีหลายคนพูดว่ยต้องรักษาสิต้องอย่างนี้อย่างนี้ก็คือถูกต้องตามหลักพระศาสดาพาะแม่พระศาสดานี่นะครับท้าใจครับแต่ว่า อันนี้จะต้องเกิดจากการที่คุณน้อยนี่สงสัยจะอธิบายเก่งถึ ง, ถงได้ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยรู้สึกว่าเชื่ออันนี้ทําเรียกศรัทธาใช่ไหมคะท่านผู้ใหม่ๆสามีเขาก็หืมแบบอะไรกันนี่ทิ้งทิ้งไปรักษายาเลยซึ่งมีสิทธิ์จะหายอะไรเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะคะแต่เขาแต่สิทธิ์เราเองเขาเดินเขาเดินจงกรมเสียชีวิตเลยเหรอเขาเดินจงกรมจนกระทั่งเขานั่งสมาธิเพชรสาวันสุดท้ายค่ะอนั่งได้เป็นวันเลยทั้ แต่ที่น่าเด็ดเดี่ยวที่สุดคือสาวันสุดท้ายปิดโทรศัพท์เลยค่ะไม่ติดต่อเพาะเขาบอกว่า <c oughs> คือใช้ความรักนะคะคือยมน้อยเห็นว่าร่างกายไม่ไหวแล้วยมน้อยเลยตั้งอธิษฐานจิตว่าขอให้เขาคิกละสังขารเอเขาพูดขึ้นมาเองเลยว่าเขาคงเหลือเวลาไม่มากเขาจะละสังขารเ <c oughs> ขาจะปิดโทรศัพท์เ <c oughs> พราะว่าถ้าเขาเปิดโทรศัพท์สามีกับลูกจะโทรมาเ <c oughs> ขาปิดโทรศัพท์เลยค่ะ <c oughs> แล้วเขาก็นั่งสมาธิเพจสามวันตะลุยเลยค่ะ สุดยอดเลยค่ะน้องบอลนี่สุดยอดเลยค่ะเดี๋ยน้อยีรู้สึกว่าเป็นผลงานชิ้นีโบแดงของยมน้อยค่ะถึงเวลาของตัวเราไม่ทราบว่าเราจะทำได้ยงไรู้เ่าจะหรือได้เพียงแค่ติเตอร์จริงดีเนอร์ไม่ค่อยคิดไม่ออกว่าจะถามอะไรต่อแต่รู้สึกว่าน่าสนใจมากี่าบอกว่าคำว่าสัโยธาเนี่ยสัโยธาเนี่ยมีอะไรบ้างคะสัโยธาก็คือ สักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่าขันธ์หาเนี่ยเป็นตัวเราของเรานี้คือข้อที่1นนะึข้อที่สองก็คือ <c oughs> <c oughs> วิจิกิจฉาความสงสัยลังเลนะในมรรคหรือปฏิปทาว่ า, าผลทางปฏิบัติอย่างเนี้ยเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จริงหรือเปล่าคนนั้นจะมีความมั่นใจว่าทําอย่างเนี้ยพ้นทุกข์ได้ <c oughs> ข้อที่สมก็คือศิลปตะ ป, ะตปลาลมาสความลรูปธลําในศินโพธิเนี่ย ข้อปฏิบัติกายวาจาในแบบสัมพัน์เหล่าอื่นเนคนนี้จะไม่ไม่ทำนะมั่นคงข้อที่สีก็คือกามลาคะความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกาย5าช่องทางเขาจะละได้นะและอย่างที่6ก็คือพยาบาทหรือปฏิฆะเนี่ยนะก็คือ <c oughs> ความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเขาจะละได้เช่นกันนะ ความพอใจไม่พอใจในห้าอายณะของกายเนี่ยแต่เขาละได้เพราะนั้นถึงเขาจะมีทุกขเวทนาทางกายแต่เขาจะไม่มีทุกขเวทนาทางจิตนี่คือความต่างกันของอริบุคคลกับกุตุชนแต่ถึงแม้เขาจะมีทุกขเวทนาทางกายและทางจิตส่วนผู้ที่สามารถปฏิบัติได้จนนาทีสุดท้ายของชีวิต พระายังบอกว่าการตายและการบรรลุธรรมเขาจะเกิดไม่ก่อนไม่หลัง ก, กันอีกนิดหนึ่งนะค่ะถ้าอาจารย์คะก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สุขภาพดีหรือแม้แต่กระทั่งผู้ที่ป่วยขนาดว่าเป็นวาระสุดท้ายซึ่งต้องทุกทรมานมากแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะปฏิบัติเหมือนกันทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคะมีโอกาสที่จะปฏิบัติหมายถึงว่าทำได้ค่ะาา<อ>ได้ คือคนที่ <c oughs> ป่วยใกล้จะเสียชีวิตแล้วเนี่ยคือเขาเขาสัตว์จากความจริงเดินมาถึงเขาแล้วไ ง, งประตักเข้าถึงกระดูกแล้วเนี่ยเขาเนี่ยได้รับทุกเจียนตายเองแล้วเนี่ย ร, รู้แล้วว่าความตายเนี่ยมีจริงเขาจะต้องละโลกนี้ไปแล้ว และเมื่อเขาได้ยินได้ฟังคําพูดของพระศาสดาซึ่งสอนเกี่ยวกับเรื่องการแก่เจ็บตายมันจะเข้าถึงใจถึงจิตเขาซึ่งแต่ก่อนเนี่ยแก่เจ็บตายยังมาไม่ถึงเขาเขาก็ยังไม่ค่อยสำฤทธ์นั้นก็จะเป็นม้าอาชานายประเภทที่4ซึ่งได้ยินได้ฟังก็ยังเฉยเฉยได้เห็นแก่เจ็บตายก็ยังเฉยเฉคนใกล้ชิดแก่เจ็บตายก็ยังเฉยเฉแต่พอตัวเองแก่เจ็บตายเองก็มีอินทรีย์บรารมีแล้ว ศรัทธาเริ่มมานะวิริยะเริ่มมาสติเริ่มมาสมาธิเริ่มมาปัญญาเริ่มมานะนั้นอินทร์บา ร, รมีของคนที่ใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยมันจะมีมากแล้วนะให้ธรรมะไปปุ๊บเนี่ยมันเข้าได้เลยนะออมันพร้อมที่จะรับธรร ม, มะแล้วก็สามารถบรรลุธรรมได้เพรามันความคิดมันไม่มีแล้ว ความอยากมัน่ดีแล้วนี่ยแล้วจานค่ะเนาะความตายมันความตายมันมันมันอยู่ตรงหน้าแล้วเนี่ยน่าแล้วนี่คือทุกข์ที่สุดละของชีวิตจะแก้ยังไงเมื่อมีคนมาชี้ทางสว่างปุ๊บเฮ้ยวิธีนี้แหละใช่เเหลือวิธีเดียวละที่เขาจะต้องทํำและจะต้องทําไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะไม่ทําค่ะท่านอาจารย์บอกว่าเป็นเพราะว่าเพราะความตายมารออยู่ข้างหน้าเนมันเห็นชัดถึงความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหลาย จึงทําให้อินทรีย์บามีมันเกิดขึ้นได้ง่าย<ช>นะคะแต่ว่าเลยบางคนบอกว่างั้นก็ตอนนี้ก็ปล่อยๆไปก่อนเดี๋ยวกล้ตายมันคงเกิดขึ้นมาเองคะท่านคะนะฮะก็ถ้าไปคิดงั้นก็คือจะมีความประมาทไงมีความประมาทเพราะว่าถ้ากับว่าเราเนี่ยไปวัดความเสี่ยงเอาในตอนใกล้จะตายซึ่งอาจจะทําไม่ได้ก็ได้หรืออาจจะทําได้ก็ได้นะซึ่งก็มีความเสี่ยงสูงกับคนที่ ไม่รอไปให้เกิดความเสี่ยงตรงนั้นพยายามฝึกหัดทําตั้งแต่ตอนนี้ก็อันนี้แล้วแต่นโยบายชีวิตแต่ละคนใช่ไหมดิฉันต้องกราบเรียนถามท่านอย่างนี้เพราะดิฉันว่าธรรมชาติของมนุษย์ไม่น้อยทีเดียวแม้กระทั่งตัวเองก็ยังเป็นนะนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วยิ่งถ้าฟังถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้นะคะว่าพวาระสุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมาเองทุกคนก็อาจจะเอาถึงวันนั้นเราคงจะ ก็เนี่ยไอเรื่องความคิดพวกเนี้ยมันเป็นตัวขวางกั้นเนี่ยก็เรียกว่าผู้นั้นเป็นพวกม้าอาชานัยประเภทท้ายๆใช่ไหมคะมทีนี้ขออนุญาตฟังเรื่องม้าอาชานัยของพระพุทธองค์เต็มๆหน่อยได้ไห ม, มคะก็คือพวกแรกเนี่ยได้ยินได้ฟังเขาพูดเรื่องแก่เจ็บตายเนี่ยก็รู้สึกสำนึกล ะ, ะว่าเออเราก็มีความตายเป็นธรรมดาก็พยายามมีตนส่งไปในแนวของธรรมะล ะ, ะส่วนพวกที่สองเนี่ยนะก็คือ ม้าพวกแรกเห็นเงาประตักก็ปฏิบัติทำนะก็คือวิ่งและสารธียกประตักปั๊บเห็นเงาเนี่ยวิ่งแล้วพวกที่สองเนี่ยเห็นเงาประตักยังเฉยเฉยต้องประตักถึงขุมขนนั้นคนพวกที่สองก็คือต้องเห็นเขาแก่เจ็บตายถึงจะปฏิบัติทำมม้าพวกที่สามเนี่ยประตักถึงขุมขนยังเฉยเฉยต้องประตักถึงเนื้อถึงจะวิ่ง พวกนี้ก็คือต้องมีญาติพี่น้องคนรักแก่เจ็บตายเองใกล้ตัวเขามานะ่อยอ่าใกล้ตัวล ะ, ะเริ่มรู้สึกว่าใกล้ตัวละเริ่มปฏิบัติธรรมบางพวกยังเฉยเฉยก็จะเป็นมป็าอาชานายประเภทที่สี่ที่ต้องเอาประตักเข้าถึงกระดูกนะก็คือตัวเองเนี่ยได้รับทุกเจียนตายน ะ, ตนะนะอ่า <c oughs> <c oughs> อันนี้ยเป็น อุปมาอุปมาอของพระพุทธองค์ที่ต้องบอกว่าทรงอุปมาอุปมยชนิดที่ไม่มีผู้ใดทําได้เสมอเหมือนเ <c oughs> ดี๋ยวฉันทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าทรงเปลี่ยนเหมือนม้าอาชาในสําหรับบุคคลทั้งหลายที่จะใช้คำว่าอะไรคะเข้าถึงธรรมะเลยนะค ะ, ะมีตนทรงไปในแนวของธรรมะมีตนทรงไปในแนวของธรรมะนะคะโดยอุปมาอุปมาอแรกว่าเปลียบเหมือนมา้าแค่เห็นเงาของปตากปตากก็คเครื่องมือในการที่จะตีลงไปที่มา้าเพื่อให้ม้าเนี่ยวิ่ง พ่อมามีหน้าที่วิ่งตามคำสั่งของสารถีใช่หมคะส่วนในขั้นที่2ประเภทที่เหมือนกับพวกเราเนี่ยนั่งรถไตเห็นเขารถชนกันตายมองเออก็คนตายนะวัดเสียวหน่อยนึงแต่ก็เฉยๆไม่ได้เกิดอะไรขึ้นในใจอันนี้เราเป็นมมาประเภทที่หนึ่งเลยใช่ไหมคะมมส่วนประเภทที่สองบอกว่ามมาที่ต้องให้ประตัดถึงขนหายมันรู้สึกโ้ขนกับุดนะ่ อ, อย่างนี้ ก็ความรู้สึกเร็วขึ้นหน่อยหนึ่งถ้าเป็นเปรียบคนไม่ต้องอะไรนะมาเฉียวกใกล้ตัวเองค น, นงข้างๆนี่ถูกยิงหัวตายดิฉันเคยได้ยินเพือ่อนพูดอย่างงี้จริงๆนะค น, นข้างๆไม่รู้จักกันแต่ถูกยิงที่ศีรษะตายถ้าเป็นพวกอาชาใยประเภทที่สองอก็มีตนส่งไปในแนวของธรรมะแล้วลแต่ถ้าเป็นประเภทที่สามท่าจ่าว่าพระพุทธองค์เปรียบเทียบว่าต้องให้ถึงเนื้อก่อน ต้องมองไปทีนี้ญาติพ<ๆ>ี่น้องคือมันชันรู้สึกเลยนี่ญาติเราตายนะโอ้ไม่น่าตายเลยเสียดมเสด็จได้เออญาติเราอย่างตายทั้งที่แ no? ข็งแรงอยู <Prophet> ่แต่พอมาสุดท้ายนะคะพระพุทธอง์ทรงเปรียบเหมือนว่า <dah> ม้า <viral> ท mm ี hmm ่หนังหนาความรู้สึกช้าดื้อเดืองมากอืต้องให้ปตากมีกระแทกถึงกระดูกเลยอืใช่ไหมคะถึงจะมีตนส่งไปในแนวของในแนวของธรรมะทิฉันก็เป็นประเภท จำยากเนีมิตนส่งไปในแนวของธรรมะความจริงแล้วหน้าต้องท่องไว้เป็นเป็นประโยคที่ต้องจดจำเอาไว้เลยว่าเราต้องมีตนส่งไปในแนวของธรรมะส่วนท่านจะเลือกเป็นม้าประเภทไหนนะคะก็ไม่จําเป็นจะ ต, ต้องให้มันเกิดโดยธรรมชาติก็ได้ใช่ไหมคะเราเร่งเหมือนก็ได้ใช่ไหมคะเราเร่งมันเองก็ได้เพราะว่าไม่เช่นนั้นมันอาจจะเป็นผู้ที่ประมาท ะละเล่นช้ า, านะค่ะวันนี้เราได้ฟังพุทธวจนะที่ดีทั้งว่าควรกับการจดจํามากเลยเพราะว่ามีอุปมาอุปไมยทำให้เรานึนถึงภาพได้ชัดเจนเรากําลังสนทนาการเกี่ยวกับเรื่องของความตายแล้วก็ควรจะรับมือกับความตายนั้นอย่างไรและยน้อยก็ยกตัวอย่างเพื่อนนะคะที่วาระสุดท้ายของชีวิตหมอให้เวลาไม่มากตัดสินใจเลือกหนทางของการที่จะเข้าถึงธรร ม, มะมีตนส่งตไปในธรร ม, ม เราก็ได้จริงๆสูได้จริงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราไม่ประมาเราต้องเริ<_<_<_่มปฏิบัติธรรมกันแล้วใช่ไหมคะใช่ต้องสํารวมอินทรีย์นะผู้ไม่ประมาทคือผู้ที่สํารวมอินทรีย์สัมรวมอินทรีย์ธรรมะคือความไม่ประมาทเนี่ยพระเจ้าบอกเป็นยอดแห่งคุศุลธรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนพวกดวงดาวทั้งหลายเนี่ยแสงไม่ได้เซี่ยวหนึ่งของดวงจันทร์เลยนะธรรมะ คือความไม่ประมาทเนี่ยก็เป็นเลิศกว่าบรรดากุศลธรรมทั้งหลายอเปรียบไว้หลายสิบประสูตรมากนะะว่าอ่าหรือว่าเปรียบด้วยว่าพระราชาทั้งหลายเนี่ยย่อมตามเสด็จพระมหาจักรพรรดิพระมหาจักรพรรดิเนี่ยเปรียบเหมือนความไม่ประมาทคือเป็นยอดแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเใช่แปลว่า พระราชานี่เป็นกษัตริย์ธรรมดาธรมาธธรมดากษัตริย์ธรรมดาต้องตามพระมหาจากักรพรรดิคือกษัตริย์ที่มีอำนาจใหญ่กว่าใช่ใชพระมหาจากักรพรรดิในที่นี้มีความไม่ประมาทถูกไหมคะใช่คือพระมหาจากักรพรรดิของผู้จ้าเนี่ยปกครองพระราชาทีใช่ใหญ่ใหญ่ที่าาสุดใช่อ่าเราจะต้องมีมีอนณาเขตเนี่ยมาหาสมุทรจดมาหาสมุทรแล้วก็ปกครองโดยธรรมค่ะเระื่องจริงค่แต่ว่า อุทาหวณที่ได้จากเรื่องเล่าของโยงมน้อยนี่นะคะดิฉันเข้าใจว่าทำให้พวกเราใจชื้นเหมือนกับว่ามันมีโอกาสสำหรับทุกคนอขอเพียงแต่ให้มุ่งมั่นตั้งใจใมีความเพียรใช่คะเชื่อมั่นเพราะว่าขนาดคนป่วยหนักใกล้เสียชีวิต<ม>ก็ยัง พ, พาตัวเองไปในจุดที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้ที่ได้ความเป็นอะีรบุคคลได้ค อยากจะเล่าอยากจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมคะพอดีไม่เป็นได้ค่ะมีเคสนึงนะคะท่านช่างคือมีเพื่อนเขาบอกว่าแอร์คนเนี้ยป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลทุนิพลเป็นมะเร็งที่ปอดท่านสุดท้ายพี่น้อยไปเยี่ยมหน่อยสิอ่ะก็ได้นะอยู่อที่นีเี่ยมอ่ะพี่ก็ไปเข้าไปถึงเนี่ยโอ้ย่าดเยื่อเราแห้งเต็มเลยค่ะเพราะว่าเขามีลูกเล็กสองคนที่ต้องดูแล เราก็สามากสามสิกว่าเองเราก็นิสัยเป็นคนพูดตรอไปตรงมาเราก็บอกว่าจะร้องไห้ไปทําไมจะมาเสียใจไปทําไมร่างกายเรามันฉุดไม่ไหวแล้วพลิกจิตพลิกโอกาสสิพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะได้ธรรมะเยอะแยะเลยนะมา น, นั่งเสียใจทิ้งมันไปเลยสังขารอันเนี้ยทําอะไรก็ได้นิมนต์พระมาก็ได้มาฟังธรรมโอ้โหโกรธห่ะ ยากโกรธมากหาว่ายมน้อยไปแช่งไปแช่งเขาให้เขาตายเขาสาวทามาลูกก็จะให้ข ม, มักเขากลับให้เขารสังขารซะอยู่าไปสนใจตายแน่ๆผู้ทํานองนี้ตายแน่ๆปรากฏดทานไปสามวันอะไรดนใจก็ไม่ทราบนะคะพลิกเลยค่ะตัวคนไข้พลิกค่ะยอมตายค่ะแล้วก็เอาพระมาเทศแล้วเขาก็ตายดีค่ะพระอาจารย์นิมนพระมามาใสาบ่บาตร พระมาเทแต่สิ่งที่ยมนายสัมผัสได้คือเขามหาโยมน้อยค่ะใส่ชุดขาวแล้วก็ยิ้มยมน้อยก็โอ้โหภูมิใจแล้วค่ะผลงานชิ้นที่สองสรุปแล้วนี่ก็เป็นม้าอาชาประเธ์สุดท้ายอีกเช่นกันที่พิธีเยี่ยนะคะก็เป็นเครื่องที่พอจะยืนยันได้ว่าคนเราเมื่อความตายใกล้ตัวจะเกิดมีตนส่งไปในแนวของธรรมะได้มากที่สุดนะคะจริงค่ะวันนี้เราท่องไว้เลยนี่ย แต่เราต้องอย่าประมาะทก็ทำให้คือทให้นึกถึงแ บ, บบปัดจิมโอวาของพระพ<ช>ุท ธ, ธองค์ที่พูดว่าอับประมาทเท น, นี่สัมมาเทศอ่าะใช่ใชก็ก็<อ>สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่า<ช>นทั้งหลายจงยังจิตของท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดขอประทจ้าตอคกับ<ช> <c oughs> วงสนทนาธรรมะเนี่ยท่านอย่าคิดว่าจืดชืดคุยจะจริงๆถ้าไม่ออกโทรทัศน์เนี่ยจะมีรสชาติมากกว่า น, นี้ถ้าเป็นพูดแบบเป็นภาษาที่ถูกต้องตามหลักหน่อยวงสนทนาที่ไม่จืดชืดนี่ควรพูดอย่างไรถึงจะเหมาะสมนะท่านคะก็ะจะมีมีหลายภาษาหลายแบบนะแต่มีเรื่องของความสนุกสนานชอบใจก็ก็เหมือนกับว่าปริพากษถามพระเจ้าว่า พวกปริพภาชกทั้งหลายเนี่ยเขามีการปดเปื้องวาทากันหลังฉันเนี่ยเป็นที่สนุกสนานชอบใจแล้วสมณะโคดมมีอะไรเป็นเครื่องสนุกสนานชอบใจผู้เจ้าก็เลยบอกว่าเรามีวิชาและวิมุตเป็นเครื่องสนุกสนานชอบใจุวิชาและวิมุตอันนั้นเป็นของพระอรหันต เป็นของอ่าเป็นของพระรหัสแล้วก็ของพระเจ้านี่แหละนะมีวิชาและวิมุตเป็นเป็นที่สนุกสนานชอบกันแปลว่าวิชาไหนที่นี้เป็นประเด็นใหญ่เลยนะคะยมน้อยวิชาวิชาในที่นี้แปลว่าอะไรวิชาก็คือความรู้ไงและความรู้อะไรล่ะมีคนถามพระเจ้าว่าคําว่าวิชาวิชามีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหรหนอคะก็คือความรู้อันใดในอริยสัจรี่ความรู้นั้นก็คือวิชา ไม่ค oh ือเขารู้อริสสัตวสีนั่นเองตรงข้ามกับอวิชาใช่วิชานี่คือวตข้ากับวิชามวิชาก็คือความไม่รู้ในอริสสัสีค่ะซึ้งมากเลยนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้เราเปิดประเด็น เรื่องวิชาแยมแ ย, มแย้มนิดนึงนะคะแต่ว่าอย่างท่าอาจารย์เนี่ยพอถามมาปุ๊บเนี่ยก็สามารถตอบให้แบบฟันธงให้เราไปคิดต่อได้เลยหรือว่าไปหาความรู้ต่อได้เพราะว่าท่านสรุปความรู้ทั้งหมดเนี่ยรวมมาเป็นคําตอบสั้นๆอย่างไรก็ตามเราเหลือเวลาอีกนิดเดียวดิฉั้นก็อยากจะสรุปใช้ของการ uh huh. สนทนาในวันนี้เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วย uh huh. พุทธวจนะว่าท่านจะสังเกตนะคะว่าท่านอาจารย์เนี่ยจะนําเอาคําตอบหรือคำอธิบายต่างๆที่เป็นพุทธวจนะ องค์ด็จดชะสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็ทําให้พวกเราได้ทราบอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าวงสนทนาทางด้านธรรมะนี่ไม่ได้จืดชืดท่านไม่ต้องกลัวว่าพอคนชวนมาฟังการสนทนาธรรมและมีความรู้สึกว่าเหมือนกับจะพาไปอยู่ที่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งท่านจะต้องเปลี่ยนบุคลิกภาพไปเลยอย่างสิ้นเชิงสามารถมีความลื่นเริงในธรรมะลืน่นเริงในธรรมถ้าไม่เชื่อต้องให้ชมการสนทนาธรรมข้ามวันเสาร์อยากให้ท่านอาจารย์เป็นผู้ บอกท่านผู้ชมะคะว่าเขาจะติดตามกันได้อย่างไรอ๋อก็ข้ามวันเสาร์สามารถเปิดเปิดชมได้ทางอินเทอร์เน็ตนะในเว็บไซต์วัดนาป่าพงมีเดียวัดนาป่าพงนะ o r g นะก็สามารถที่จะเข้าชมการถ่ายทอดสดจากทางวัดได้นะจากทั่วโลกแล้วก็สามารถถาม ปัญหาที่เรามีข้อสงสัยเนี่ยเข้ามาได้อาตมาก็จะตอบสดๆให้ค่ะก็คล้ายๆกับคนที่ช่วงเวลาก็ทุ่มถึงสามทุ่มประมาณค่ะวันเสาร์ทุกเสาร์ทุกเสาท่านทำมากี่ปีแล้วคะโอ้ก็หลายปีเหมือนกันนะไม่แน่ใจอะสัก 6-7-8 ปีมั้งประมาณนี้ไม่แน่ใจท่จารย์ทำมาตั้งแต่ยังไม่มีเว็บไซต์เลยใช่ไหมแต่ยังมีก่ายทอใช่ทำมาตั้งแต่ยังไม่มีการถ่ตั้งแต่ท่านทำมานี่ ท่านไม่ได้ทำมาสักกี่สัปดาห์คะปีหนึ่งนี่ขาดทางหายเสาไหนบ้างคะเจ็บครั้งเดียวหรือครั้งเดียวจำได้ครั้งเดียวเหตุที่ไม่สามารถไั้เะว่าไม่มีเสียงตะบรยายดิฉันต้องถามอย่างนี้เพื่อที่จะบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าท่านจาร์คือกริชเนี่ยให้ความสำคัญมากกับการสนทนาธรรมทุกวันเสานะคะเพราะว่าเป็นโอกาสที่ท่านจะจะต้องกาหนดเวลาเอาไว้ ที่จะไม่ค่อยรับกิ่นิมนต์ไม่รับกิ่นิมนต์เน่องาย่งนันะคะแล้วก็จะเป็นโอกาสที่ผู้ที่มีความสนใจก็จะมาชุมนุมกันนับวันก็มากขึ้นเรื่อยๆไหมคะ อ, อาจารย์เราสามารถมาทั้งที่ทวัดก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าที่วัดจะจัดมีทั้งที่สระสามอาคารสาอาคารนะคะแล้วก็เชื่อมเชื่อมสัญญาณทั้งภาพและเสียงไปทุกอาคารแล้วก็สามารถถามตอบกันได้ทั้งทุกอาคารที่ที่ฟังคำบรรยายได้ก็สามารถถาม ถาคำถามอาจารย์เป็นสดๆได้เลยค่ ะ, คะก็มีโอกาสนอกจากจากรายการนี้ท่านอาจจะไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับทุกท่านที่อยู่ณนะที่นี้เพราะว่าเป็นการชมเหมือนกับชมรายการโทรทัศน์นะคะแต่ว่าในบรรยาการของการสนทนาธรรมนี้ไม่เพียงแต่ว่า จะสนทนากันได้เฉพาะผู้ที่มาที่วัดเท่านั้น<ม>ใช่ไหมคะยังสามารถกราบเรียนถามคําถามได้ผ่านทางอินเทอร์เนต็ตด้วยใช่ทั่วโลกค่ะได้ทั่วโลกเดยวนฝะรั<ม>่งฝรั่งถามมาเยอะเลยนะคะการตอบคําถามบางครั้งก็ต้องมีการใช้ภาษาต่างประเทศบ้างแล้วก็เราจะมีการสืบค้นกันให้สดๆอย่างนั้นใช่สนุกกันละกันกค่ะสําหรับคนที่ชอบการเรียนรู้สืบค้นเนี่ยยิ่งสนุกสนาน สนุกอย่างไรต้องติดตามกันแต่ว่าสําหรับวันนี้เวลาน้อยนะคะท่านอาจารย์คงจะต้องเอาไว้ในวันต่อๆไปซึ่งรายการของเรานี่ก็โชคดีนะคะมีพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกวันเลยถ้าท่านมีความรู้สึกว่าอยากจะได้ชมกันอย่างต่อเนื่องก็พบกันในเวลาเดิมกันเนะะี้ยค่ะวันนี้โยมเล็กได้พูดถึงเรื่องที่พระพุทโธได้ตรัสไว้ดิฉันจะขอหยิบยกพุทธวจนะในบทเดียวกันนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าอาจจะ มีความพิเศษแตกต่างกันอีกเล็กน้อยความหมายเดียวกันเรื่องพินัยกรรมของพระสังฆบิดาอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่าพุทธว จ, จะนะชุดประถมธรรมในหน้าที่267นะคะเป็นการปรับกับพระอานน์ค่ะว่าอานน์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าทำวินัยของพวกเรามีพราษาสดาร่วงลับไปแล้วพวกเราไม่มีระาศาสดาดังนี้อานน์พวกเธออยากคิดอย่างนั้น ทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทาวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการร่วงไปแห่งเราพิสษุทั้งหลายบัดนี้เราจะเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้ นี่แหละเป็นวาจาครั้งสุดท้ายของตถาคตเจ้าค่ะก็ความไม่ประมาทอยงที่พระอาจารย์ได้บอกนะคะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสฝากเอาไว้ในนี้เขียนเอาไว้บอกว่าเป็นพินัยกรรมของพระบิดาค่ะวันนี้เราก็มานวัฒ ก, การของพระคุณพระอาจารย์คลิปสดทิคโลกันค่ะ สวัสดีครับผมนายจกิตบรไลได้เข้ามาศึกษาพระธรรมที่วัดนาป่าพงเป็นแก่นของพุทธศาสนาที่แท้จริงในทุกวันนี้มนุษย์เราได้หลงทางผิดในการมือแต่สร้างวัตถุหรือว่าขอบนบานสารกล่าวคือทุกวันนี้เราก็เป็นทำในทางที่ผิดกันอยู่แล้วเรานึกถึงแก่นของพุทธศาสนาที่แท้จริงที่พระพุทธองค์ท่านสอนไว้นั้น หายไปจน ก, กระทั่งมีผู้เผยแพร่เส้นพระ้าจาน ค, คลิกฤตได้นําคําทั้งสองของพระพุทธองค์มาเผายแพร่โดยตรงประเด็นและเป็นศาสตรธรรมอันแท้จริงโดยที่พระพุทธองค์ท่านได้สั่มสอนไว้เมื่อสมัยพุทธกาลจนทุกวันนี้ลูกของพระพุทธองค์ท่านก็ได้กําเนิดอีกโดยผ้าจานคลิกฤตได้ศึกษาพระธรรมโดนเข้าถึงแก่นก็ได้สอนญาติโยมที่ว่าหลงผิดในทางธรรม ได้หันกลับม า, ารู้แก่นแท้ของพุทธศาสนาแท้จริงคือการปฏิบัติหรือการกระทำของทุกวันนี้เพื่อให้เป็นเครื่องแนวทางของญาติโยมที่ยังกำลังหลงพินในการปฏิบัติธรรมนั้นพระอาจารย์ได้สัมสอนได้ถึงแก่นแท้และก็เข้าใจทุกอย่างญาติโยมคนไหนที่ยังศึกษาธรรมะโดยที่ว่าหลงผิด หรือว่ายังไม่เข้าใจจึงอยากชักชวนให้มาวัดนาป่าพงมาฟังพระอาจารย์เอาคำว่าพุทธศาสดามาสอนญาติโยมก็จะได้เห็นคำว่าแก่นของพุทธศาสนานั้นคืออะไรขอบคุณครับท่านผู้ชมคะ วันนี้เราก็คงจะต้องสงท้ายกันด้วยการที่บอกท่านทั้งหลายว่าเราอย่าประมาทเลยนะคะพระพุธองได้ตรัสสั่งไว้ดังนั้นแล้วก็เราก็จงเป็นม้าอาชาในที่มีความรู้สึกเร็วกว่าปากติสักหน่อยไม่ใช่ว่าต้องให้ประตักถึงกระดูกแล้วจะปลอดภัยกว่าเพราะไม่เช่นนั้นเราอาจจะพลาดโอกาสที่สาคัญที่สุด ข, ของชีวิตก็ได้ติดตามรับชมรายการพุทธวจะนะกันได้ใ ห, หม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ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 การงานอันเป็นกิจจาเป็นทั้งหลายนะก็ขอให้มีสุขภาพพลางนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะเพื่อปาราลกความเพียงต่อไปนะจนเข้าถึงมรรคผลผนิพพานและขอให้ได้ดวงตายทําส ม, ม บ, บูรมรรคผลนิพพานกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน